1 1เออกาธสามัมณัย 11. สังคหิเตณสัมปยุตตะวิปยุตตะปทานิเทศ4 0 9สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันอายตนะและธาตุกับสมุทัยสัตมขษัตสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตรรด้วยขันอายตนะและธาตุเท่าไรสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตรรด้วยขันสอมายตนะหนึ่งธาตุเจ และ 1, wheels, 1, 1, 1, สัมปะยุทธ์ด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุทธจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุทธจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิและวิปยุทธจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน410สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันอายตนะและธาตุ กับอิทธินรีปุริสินีสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุตวิปยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันสี่อายตนะหนึ่งธาตุเและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน411สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขัน อายตนะและธาตุกับส <selling> ุขิน4ทุกขิน4โสมนัสสิน4โทมนัสสิน4สภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันธ์สอายตนะ1นธาตุเและสัมปยุทธ์ด้วยขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุทธจากขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุทธจากขันธ์หนึ่งอายตนะ10บธาตุสิและวิปยุทธจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน 412สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันอายตนะและาธาตุกับอุเปกขินสีสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันสามอายตนะหนึธาตุสองและสัมปยุทธ์ด้วยอายตนะ1นธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุทธจากขันอายตนะและาธาตุเท่าไรวิปยุทธจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิ และวิปยุตจากอายตนะหนึ่งาธาตุหนึ่งบางส่วน413สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและาธาตุกับสัตินสีวิริยินสีสตินสีสมาธินสีปัญญินสีอนัญญาตัญยศามีตินสีอัญยินสีอน ย, นอนยาตาวินสีอวิชชา สังขารที่เกิดเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยภาษะที่เกิดเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยตัณหาที่เกิดเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยอุปาทานที่เกิดเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยกรรมภพสภาวธรรมเหล่านั้นสัมพยุตด้วยขันธ์สอายตนะหนึ่งธาตุเจและสัมพยุตด้วยขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุตจากขันธ์ อายตนะและาธาตุเท่าไรวิปยุจจากขันหนึ่งอายตนะสิธาตุสิและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน4ี่สิบสีภาธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันอายตนะและาธาตุกับปริเทวะสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุจด้วยขันอายตนะและาธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุจ วิปยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันสี่อายตนะหนึ่งธาตุเและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน4ี่สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันอายตนะและธาตุกับปริเทวะสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุตวิปยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไร วิปยุตจากขน 4, ันสี่อายตนะ1นธาตุเและวิปยุตจาก อ, อายตนะ1นธาตุหบางส่วน415สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันอายตนะและธาตุกับโสกะทุกขโทมานต์สภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันสามอายตนะ1นธาตุเและสัมปยุตด้วยอายตนะ1นธาตุหบางส่วน วิปยุทธจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุทธจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิและวิปยุทธจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน416สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันอายตนะและธาตุกับอุปายาตสติปฐานสั ม, มปทานอัปปมัญญาอินทรีห้าพละหโพชฌงเจ็อริยมัคมีองค์8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 สภาวธรรมที่เป็นโอคะสภาวธรรมที่เป็นโยคะสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์สภาวธรรมที่เป็นปรามาตสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานสภาวธรรมที่เป็นกิเลสสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและกิเลสทําให้เศร้าหมองสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสสภาวธรรมเหล่านั้น สัมปยุตด้วยขันอายตนะและธาตุเท่าไร correr. สภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันสามอายตนะ1นธาตุเและสัมปยุตด้วยขันหนึ่งอายตนะ1นธาตุหบางส่วนวิปยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิและวิปยุตจากอายตนะ1นธาตุหนึ่งบางส่วน รวมบทธรรมในเอกาทศมณีหกสบทสัจจะสองอินรี่สปฏิจจสมุปบาท11บทต่อจากปฏิจจสมุปบาทอีก11บทในโคจัชกะ30บทสังคหิเตนะสัมปยุตตะวิปยุตตะปทานิเทศที่11จบ12 ภาวธทศมณีสิบสอสัมปยุตเตนะสังคหิตาสังคหิตะปทานิเตศรีรยสิบเจ็ดสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยเวทนาขันสัญญาขันสังขานขันสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสามอายตนะสองและธาตุแสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไร สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสองอายตนะสิบและธาตุสิบสีสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยวิญญาณขันมานายตนะจะคุวิญญาณท่ามโนท่ามโนวิญญาณท่าสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสามอายตนะหนึ่งและธา 1. ตุหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไหร่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 สภาวัธรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยมนินรีสภาวัธรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสามอายตนะหนึ่งและาธาตุหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขนันอายตนะและาธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสองอายตนะ11และาธาตุสิบเจสภาวัธรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสุ ข, ขินสีทุกขินสีโสมนัสจินสีโทมณัสจินสี สภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสามอายตนะสองและธาตุสงสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไหร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสองอายตนะ10และธาตุสิบ2กสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยอุเบกินสีสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสามอายตนะสองและธาตุเ สงเคราะห์เขาไม่ได้กับขันอายตนะและาธาตุเท่าไร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสองยัตนะสิและาธาตุสิบเอ็ดสสภาวะธรรมเหล่าใดสำปยุทธ์ด้วยสัตินสีวิริยินสีสตินสีสมาธินสีปัญญินสีอนัญญาตัญญัสามีตินสีอัญยินสีัญญาตาวินสีอวิชชาสังขารที่เกิด เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์สอายตนะสองและาธาตุสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเทไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะ10และธาตุสิบหกสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยวิ ญ, ญญาณที่เกิดเพราะมีสังขานเป็นปัจจัยสภาวธรรมเหล่านั้น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 สงเคราะห์เขาไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิและธาตุสิบหกสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยผัสสะเจตนามนุิการสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะสองและธาตุแสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขัน 1, อายตนะและา 33, าธรรลาตุเท่าไรสงเคราะห์ข 4, 2, ะ เ, ะเข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิและธาตุสิบสี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 สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบประธาตสิบห้าสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสภา ว, Catholic, ร ว, วธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมะสุขเวทนาสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมะสุขเวทนาสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกกละวิจารณสภาวธรรม ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขสภาวธรรมที่สหรคตด้วยผู้เบกขาสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะ1ิและธาตุสิ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 สภาวธรรมเหล่าน no no ั้นสงเคราะห์เข้าไ <vitam S 1> <ส>ด้กับขันสี่อายตนะสองและธาตุสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบประธาต์สิ4หกสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่ง อายตนะหนึ่งและาธาตุหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและาธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะ11และาธาตุสิบเดสี่ร้สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวธรรมที่เป็นจิตสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสามอายตนะหนึ่งและาธาตุหนึ่ง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 อายตนะและธาตุสรวมบทธรรมในทวาทศมานัย120บทอรูปขันธ์สมนายตนะหนึ่งวิญญาณธาตุเจสัจจะสองอินรีสิบ4ปัจจัยาการ12บบทต่อจากปัจจยยการนั้น16บทในติกะ8บทในโคจชตกะ43บาบท ในมหันตระทุกกะเจ็ดบทในปิติทุกกะหกบทบทธรรมเหล่านี้ตรงเคราะห์เข้าในนิเทศแห่งบทที่9ก้าสัมปยุตเตนะสังคหิตาสังคหิตะปทานิเทศที่สิบสองจบสิบสามเตระสมานายัยสิบสามอสังคหิตเตนะสัมปยุตตะวิปยุต ตัปทะนิเตสี่ร้อยสี่สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและาธาตุกับรู ป, ปขันธ์สภาวธรรมเหล่านั้นสัมประยุทธ์ด้วยขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสภาวธรรมเหล่านั้นสัมประยุทธ์ด้วยขันธ์สและสัมปยุทธ์ด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุทธจากขันธ์อายตนะและาธาตุเท่าไร วิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน449สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันอายตนะและธาตุกับธรรมายตนะธรรมธาตอิติน4ีปุริสินสชีวิตินสนามรูปที่เกิดเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยอสัญญาพบ เอเกอโวการภพชาติชราบรณะสภาประธามเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันสามและสัมปยุทธ์ ด, ด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุทธจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุทธจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิบและวิปยุทธจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน450สภาประธามเหล่าใด สงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันอายตนะและธาตุกับอรูปประพบเนวสัญญาณาสัญญาพบจตุโการะพบอิทธิบาทสภาปะธรรมเหล่านั้นสัมปยุตได้ขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุตวิปยุตจากขันอาญตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันสี่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 สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขะมะสุขเวทนาะสภาวธรรมที่เป็นวิบากสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส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 สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานสภาวธรรมที่เป็นของเสคบุคคลสภาวธรรมที่เป็นของอเสคบุคคลสภาวธรรมที่เป็นมหคตาสภาวธรรมที่เป็นอัปปามะนะสภาวธรรมที่มีปริตฐะเป็นอารมณ์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 สภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสภาวธร means, วรมที means, ส่ means, สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุตวิปยุตจากขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันธ์สี่ อายตนะหธาตุและวิปยุตจากอายตนะ1นธาตุบางส่วน452สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับสภาวธรรมที่เป็นรูปสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้ขันธ์และสัมปยุต ด, ด้วยอายตนะ1ธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุตจากขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไร วิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน453สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันอายตนะและธาตุกับสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยอาสวะ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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตสภาวธรรมที่สัมปยุตได้ปรามาตสภาวธรรมที่วิะยุตจากปรามาตและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้สภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตได้ขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุตวิบยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไร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 สภาวธรรมที่ไม่รักคนกับจิตสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุดฐานสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตสภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตสภาวธรรมที่เป็นภายนอกสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันธ์อายตนะและาธาตุเท่าไรสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันธ์สาม และสัมปยุทธ์ด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนวิปปะยุทธ์จากขันอายตนะและธาตุเท่าไหรวิปปะยุทธ์จากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิและวิปปะยุทธ์จากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน4 5่ร้สิาสภาปธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันอายตนะและธาตุกับสภาปธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานสภาวธรรมที i, ่สัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสภาวธรรมที่ไม so, ่เป็นนารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองสภาวธรรมที่ส no ัมปยุตด้วยกิเลสสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลส สภาวธรรมที่สัมยุญด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวธรรมที่วิปปุญญาจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเล estaban. สสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสสภาวธรรมที่มีวิตก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 สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนสภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้สภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันธ์อายตนะและาธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุตวิปยุตจากขันธ์อายตนะและาธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันธ์สอายตนะหนึ่งธาตุเจ็ด และวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนรวมบทธรรมในเตระสมานัยยี่สิบสองบทรูปหนึ่งธรรมายตนะหนึ่งธรรมทาตุหนึ่งอิทิญีหนึ่งปุริสินีหนึ่งชีวิตินีหนึ่งนามารูปหนึ่งพสองหมายถึงอสัญญีพบและเอกกโวการภพชาติหนึ่ง ชราหนึ่งมรณะหนึ่งบทที่เป็นรูปหนึ่งอนารัมมณบทหนึ่งโนจิตตบทหนึ่งจิตตวิปยุตตบทหนึ่งจิตตวิสังสัทธบทหนึ่งจิตตสมุทฐานบทหนึ่งิตตสหภูบทหนึ่งจิตานุปริวัติบทหนึ่งพาหิระบทหนึ่งอุปปาธาบทหนึ่ง ใน22บทนี้เป็นวิสัยแห่งปุจฉาและวิสัชนาอสังคหิเตนะสัมปยุตตะวิปยุตตะปธานิเทศที่13จบ